ต่อนี้ไปตั้งใจฟังเมื่อกี้ใ้พวกเราได้ทำวัดสวดมนต์เสร็จชิ้นลงไปแล้วต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโภตนิยกถาวันนี้เมื่อตอนบ่ายห้าโมงคณะสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันลงอุโบสถของพระ จากนั้นพ่อหลวงโบสดเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาพวกคณะสัตยาญาติโยมทั้งพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้ร่วมกันทำวัดเจนจบลงศัก์ครูนี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแนะนำแนวความคิดแร้วแนวปฏิบัติที่หลวงพ่อได้ศึกษามาและก็ได้ประสบประการมาด้วยตนเองจะได้ค้นคว้าศึกษา ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ลิขิดเขียนเอาไว้แล้วก็ได้รับการแนะนาสั่งสอนแล้วก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติประสบ ป, ปาการด้วยตนเองจากนั้นก็จะได้บอกกล่าวแนะนําพวกน้องๆทางหลายคณะคณะจตหาญาิโยมทั้งหลายเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดพวกเราเป็นศาสกยบุตรพุทธชินนรสคือเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองเมื่อได้ตัดสรู้แล้วได้ตัดสรู้พระธรรมพระธรรมคือคำสอนในตัดสัรู้ในพระไทยของพระองค์ในเมื่อตัดสรู้แล้วก็ได้นำสิ่งที่พระองค์ได้ประสบปาการ ได้รู้ได้เห็นในมานำมาประกาศอันนั้นเราว่าพระธรรมคือคําสอนในเมื่อนําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายในยุคนั้นสมัยนั้นก่ะท่านประกาศให้แก่พระอัญญาโกณทัญญะปัญจวคีทั้งห้าคืออัญญาโกณทัญญะว ป, ปะพัทธิยามหานามอาจิชิเราว่าปัญจวัคีทั้งห้า เป็นอันดับแรกในเมื่อพระปัญจวคีทั้งห้าได้รับประธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติออทาจิตใจของท่านหรือว่าทำความเห็นในใจของท่านในขณะที่ฟังท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์พูดแบบรวบรัดนะออทั้งห้าองค์ในการฟัง ทำมาจากกับวัตถนสูตรและอนัตตลกขณสูตรสองสูตรนี่คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่บอกกล่าวกันในยุคนั้นสมัยนั้นคนยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อได้ยินธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ นำมาประกาศมาเผยแผ่ก็เข้าอกเข้าใจบางท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างน้อยก็ถึงพระไตรสรณาคมเป็นที่ยอมรับในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็คือพระธรรมคือคำสอนและพระสงค์เป็นผู้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็ได้ขยายผลมาถึงทุกวันนี้ พวกพี่ๆก็สอนพวกน้องๆต่อไปเรื่อยๆ อ, อันนี้แหละคือศาสตรกยบุตรเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือพระอนยการัญญะเป็นพี่ใหญ่ได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นท่านแรกจากนั้นก็ปปะพัทยามหานามะจิชิจากนั้นกับพระสาวกหลายองค์ได้รับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าครับ เรียงลำดับกันลงมาเรื่อยๆเรืยๆเือๆจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นมาเป็นเวลาถึง2553ปีมาถึงวันนี้เพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดท่านก็ไล้รับธรรมคำสอนมาแล้วก็บอกกล่าวในประสบการณ์ของท่านที่ได้พบได้เจอได้เห็น เป็นปฏิบัติมาอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรแต่ละขั้นแต่ละภูมิไม่เหมือนกันเพราะบุญบา ร, รมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมานั้นไม่เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราได้รับแต่ละองค์ได้รับทาคำสอนของผู้ได้เจา้าเมื่อได้สำเร็จมรรสเร็จผลแล้วท่านก็ได้นาทาคำสอนที่ท่านได้ประสบประการหรือว่าท่านได้รู้เห็นด้วยตนเอง เนี่ยที่ท่านได้ภาวนาอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรในความรู้ความเห็นนั้นเออท่านก็นำมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราเพราะนั้นบางองค์ท่านจะแนะนำไปในทางปัญญาทีเดียวก็มีเพราะท่านได้เดินปัญญาอย่างเดียวแต่บางท่านก็ว่าท่านต้องมีสมาธิก่อนอันนี้ท่านก็ต้องบอกแนะนำแนวทางสมาธิก่อนต้องทาจิตใจให้สงบซะก่อน แล้วจึงเดินปัญญาอย่างนี้เป็นตน้นแต่บางท่านท่านได้สำเร็จมรรคผลเร็วท่านก็บอกเวลาเรานั่งฟังเมื่อฟังฟังฟังไปแล้วมันก็เข้าใจในเรื่องที่ฟังนั้นท่านตกก็ตัดกิเลสได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลขณะที่ฟังอย่างนี้ก็มีมากในครั้งพุทธกาลแต่บางท่านท่านก็ได้ถกเถียงกันว่าฌานกับสมาธิอันไหนเกิดก่อนกัน สมาธิกับฌานอันไหนเกิดก่อนกันท่านก็ยืนยนันว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิก่อนญานณทัศนะจึงเกิดมาทีหลังฌานเป็นผลพลอยไดาจากสมาธิถ้าจิตไม่สงบจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม่เป็นฌานจิตไม่สงบซะก่อนจิตไม่เป็นสมาธิซะก่อนจะเกิดฌานไม่ได้อันนี้ท่านก็ยืนยันมาอย่างนั้นแต่ได้มาถึงขั้นสุดท้ายแปลว่าโค้งสุดท้าย ท่านก็ถามว่าสมาธิกับปัญญาที่จะตัดกิเลสนั้นน่ะสมาธิกับปัญญาอันไหนมาก่อนกันที่จะตัดกิเลสที่เป็นเส่ะผู้กำลังศึกษากับอเส่ะผู้ไม่ต้องศึกษาในโค้งสุดท้ายนี่อันไหนมาก่อนกันท่านบอกว่าไม่มีอันไหนก่อนไ ม, มไม่มีอันไหนหลังมันเกิดพร้อมกันในจุดเดียวกันมันเพบขึ้นมาแลวกั ตัดชั่วเลยแปลว่าตัดพบตัดชาติได้ในขณะนั้นอันนี้เป็นว่าวิปัสสนาปัญญากับสมาธิมันเป็นของละเอียดมันไปด้วยกันในจุดนั้น เ, เมื่อสติพร้อมแต่ว่าไม่เผลอจากนั้นปัญญาก็ตัดกิเลสไดออ้อันนี้ก็คือท่านได้พูดได้กล่าวเนนแนะนำคำสอนให้แก่วพวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่าไปสับสนในทำคำสอนให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่แหละแนะนำสั่งสอนเพราะว่าถ้าเราเอามาวิเคราะห์ถ้าเราศึกษาทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคณาจารย์ที่แนะนาสั่งสอนถึงจะเขียนเป็นตำรับตารา มากมายขนาดไหนก็เถอะนะท่านก็ไม่นอกเหนือจากสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมของหลวงปู่มั่นของเราก็เหมือนกันท่านก็สอนในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันในการเดินมรรคในการเดินเข้าสู่มรรคผลผนิพพานนี่คือมรรคแปดเนี่ยท่านต้องเดินด้วยสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าสับสนจะทําจิตใจยังไง จึงจะได้รับความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวางกรรมฐานไว้หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกก็คือกรรมฐานสี่สิบอันนั้นคือเป็นมาตรฐานในระดับหนึ่งแต่ที่ในกรรมฐานสี่สิบนั้นก็เหมือนกับเป็นเชือกเออเป็นเชือกผูกเออถ้าจะว่าเป็นอะไรผูกลิงฮะใจของเราชาติจะว่าเป็นลิงก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะใหอะไรเพราะมันหลุกหลิกแล้วเกินนะ เออถ้าเรามีสมาธิเข้าไปจับใจของเราแล้วมันร้ายยิ่งกว่าริงอีกเออมันไม่ใช่ริงธรรมดานะถ้าเรามีสมาธิเอ่อคล้าๆ่ะเราจะจับดูสิมันจะนึกคิดเรื่องอะไรอย่างเนี้ถ้าเรามีสมาธิเข้ามาแล้วเราจะดูแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานเราจะดูไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นอันไหนเหมือนกันเออมันกลมเด็กกลิ้งไปเลยเออจนจับไม่ได้เพราะเหไรเพราะเราจิตของเราอ่อน อสติของเราอ่อนมันเซ่อซามันงุ่มง่ามเออใจของเรามันรู้มันวิ่งเร็วมันไม่รู้ยิ่งกว่าอะไรอีกเลยนี่แหละแต่ถ้าว่าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของเรามันวิ่งขนาดไหนมันหลุกปลิกขนาดไหนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบเอ่อนลิงก็แล้วกันะเออจิตของเราเหมือนกับเป็นลิงก็แล้วกันแล้วเราจะเอาอะไรกรรมฐานไหนกรรม จับมัดลิงมาหาหลักมีเชือกเชือกที่จะมัดลิงด้วยโซ่มามัดลิงเข้ามาหาหลักเราจะเอาจุดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าถนน ว, วางกรรมฐานไว้4ี่สบอย่างสี่สิบข้อสี่สิบแนวทางที่พวกเราจะได้นำกรรมฐานนำมามัดลิงตอนเข้ามาหาหลักหลักนั่นคืออะไรหลักนั่นคือกายานุปัฏฐาน อย่างลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เรียกว่าเราเดินจงกรมอย่างนี้ขาขวาพุทขาซ้ายโถงเราก็เอากรรมฐานพุทโทเข้ามาสู่ที่ก้าวเดินของเราเรือว่ายึดกรรมฐานพุทโทเข้ามาอยู่ที่ลมของเราลลมนันคือเป็นหลักจมูกของเราเนี่ยคือเป็นหลักคนตายไม่มีลมถ้าคนยังมีชีวิตอยู่มีลม ในเมื่อมันมีลมอยู่ที่ปลายจมูกของเราเราก็ยึดกรรมฐานพุทโธเนี่ยเป็นเชือกไปมัดใจของเราใจของเรามันลุกหลีกลุกเลีกหลุกลกเราก็ให้ให้ใจของเรายึดให้บริกรรมหาย ใ, ใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุออโทพโธพุโทโธเนี่ยอันนี้แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สี่สิบอย่าง สี่สิอย่างคืออะพุทธานุสติธรรมมาสังฆาศีลาจาคาเทวตาจนถึงมรณะนุสติอานาปานสติอุปสมานุสติและลึกถึงคุณของนริยพานคือทําใจให้ว่างทาใจให้เปล่าทำใจให้ว่า ง, ใใาใใางไม่ให้มีอะไรสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านวางไว้จากนั้นก็วางกสินไว้ทีอีกอย่างนอกเหนือจากนั้นอีกพระอารหันต์ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล ที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในพระธรรมมททธัตถาหรือว่าแต่ละองค์เถรีแต่ละองค์เถลิก็คือฝ่ายผู้หญิงนะเถระก็คือฝ่ายพระสงฆ์ที่เป็นมหาเถระนะที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผงจุดโค้งสุดท้ายของท่าจุดสุดท้ายของท่านนะท่านภาวนาอะไรแต่หลวงพ่อมาสรุปได้หลักใหญ่ก็คือท่านเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าเราจะพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นได้ชัดแน่อย่างนางปัตตาจาราอย่างนี้ท่านก็ภาวนาท่านก็เทน้ําลงไปน้ําก็ไหลน้ําล้างเท้าไหลาลาดไปเข้าชูดินพอเทครั้งที่สองไหลาลาดปอีกยาวกว่านั้นอีกพอทั้งที่สามเทไปมันก็ยาวไปอีกมันอมน้ําในขันดังหนึ่งสองสามมันก็ต้องยาวไปท่านก็เห็นว่าถึงจะยาวไปขนาดไหนมันก็ลง แข่งไปในแผ่นดินนี่ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราน้อยก็ตายกลางก็ตายเท่าแก่แล้วก็ตายก็ไม่มีใครที่จะไม่ตายเอเกิดมาแล้วต้องตายนี่แหละนางปัจจยจลาเหตุความตายท่านก็เห็นสรุปแล้วก็คือเห็นอันนีจังของไม่เทีย่ยเอสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกจะจัดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แหละท่านก็เห็นจุดนั้นท่านก็ได้สําเร็จ พระอระหันต์ท่านปล่อยวางไม่รู้จะยึดอะไรไม่รู้จะยึดเนือของไม่เที่ยงจะยึดมาเป็นตัวตนได้อย่างไรจะยึดทุกเป็นของเราได้ยังไงก็มีถ้าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของท่านก็ได้สําเร็จนี่อันนี้ก็คือพระนางปัตตายจาราแต่ที่นางภิกษุณีอีกท่านหนึ่งนางอุบลละวันนาท่านก็ไปยืนดูแสงเทียนอย่างพวกเราจุดเทียนบูชาพระอย่างนี้แนหะท่านก็กําหนดดู แสงเทียนมันไม่นิ่งเห็นไหมมันถูกลมมันเพิ่มเพิ่มเเเเเพอันนี้ท่านก็เห็นอนิจจังใจของคนเราก็เหมือนกันมันไม่อยู่นิ่งใจของเราเนี่ยมันคิดเหมือนกระแสงเทียนอย่างนั้นน่ะอยู่ในใจของเราถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ได้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่นิ่งแมันมันวันไหวควายแขว่งเออมันก็เพิ่มจะตอดเวลาสิ่งเห็นท่านก็เห็นอนิจจังอีกเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา ท่านก็ปล่อยวางอีกท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์อีกเยสรุปแล้วเมื่อเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งเถระประวัติหรือเถรีประวัติก็จะไปในลักษณะอย่างนี้คือสรุปแล้วคือท่านเห็นพยับแดดบ้างอย่างนี้บางทีท่านเดินทางไปไปเห็นพยับแดดพยับแดดไม่มีตัวตนท่านก็เปรียบเทียบกวามหมาใจของท่านว่าเนี่ยใจของเราก็ไม่มีตัวตนแต่มันนึกคิดมันเหมือนพยับแดด เพราะนันสิ่งเหล่านี้ที่เห็นเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็ปล่อยวางที่ใจท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์อย่างนี้บางองค์ท่านก็ไปดูตอมน้ําที่มันจุดลงมาจากชายคาอย่างนี้มันกระทบปกับมันพองตับมันกระแตกตั้บตกจมลงไปมันเป็นฟองน้ำขึ้นมาแตกตับท่านก็บอกเออเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใจมาทุกขขณะ ใจของเราก็รับพอรับแล้วก็ปล่อยยับแล้วก็ปล่อยถ้าว่าสึงไหนที่มันรับเรามันก็รับรู้รับทราบถ้าว่าสึงไหนที่มันกระเทือนใจเกิดอารมณ์ราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นมาสู่จิตใจเนี่ยตัวนี่แหละเป็นตัวการสําคัญท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจของท่านท่านก็ปล่อยวางจุดนั่นอีกท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์สรุปแล้วคือทำคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าพิจารณาให้ทีท่วนดีแล้วท่านมีจะดิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจท้งนั้นการพิจารณาภายนอกแต่พิจารณากรรมฐานไหนก็าตามเรื่าการสั่งสมบุญกุศล ส, ส่วนไหนก็าตามตั้งแต่ทานตั้งแต่สิงและก็ถึงภาวนาอันนั้นคล้ายๆว่าเป็นแนวทางที่จะเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเหมือนกับ การเดินทางอย่างนั้นน่ะพวกเราเดินทางจะต้องมีเครื่องสเสบียงในการเดินทาง mm. เดินทางนั่นคืออะไรพวกเรายังไม่รู้แจ้งยังไม่เห็นจริงยังอยู่ในวงเวียนของสังสารวัฏอยู่ยังวนเวียนอยู่ในวัตะสงสารอยูเอ่เราจะต้องมีราคะอยังมีความพอใจในการเป็นอยู่ยังไม่เห็นโทษนะทศ ของเราก็ยังมีโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมาของเรายังมีอยู่นี่เราก็จะต้องเตรียมจะเบีย่ยงเดินทางเตรียมพร้อมก็คือยินดีทำทานเสียสละในเมื่อคนมีการทำทานมีการเสียสละ อ, อ, อันนี้สงแห่งการทำบุญทำทานจะต้องเกื้อกูลหนุนออพวกเราดวงวิญญาณของพวกเราแต่ก็พวกเรามีศีล รักษากายวายาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษสินก็คุ้มครองพวกเราอีกเกิดมาพบใรชาติใดพวกเราก็เป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีใครมาหลั่งแกเบียดเบียนมาพดมาโกงมาฆ่ามาทำร้ายเราได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มีสินไม่เคยทำเขามาก่อนเราไม่เคยเบียดเบียนเขามาก่อนเราเป็นผู้มีสิน อเนกสงสีอันกนสงทานจะคุ้มครองพวกเราทีนี้อเนกสงสมาธิคือ ท, ทาจิตใจให้สงบเมื่อพวกเราทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งเออเป็นการฝึกซ้อมเป็นการฝึกฝนทางด้านสติปัญญากล้กันกรองไตรตรองเหตุและผลก็เป็นผู้มีสติปัญญาสมบูรณ์ในเมื่อมีสติปัญญาสมบูรณ์เกิดมาพบหน้าชาติหน้า บุญกุศลตัวนี้จะเป็นเครื่องเกือกเกอนนเก้อกูลหนุนเกิดมาพบไรอันในสงทานเกื้อกูลหนุนไม่อดไม่หยัดเกิดมาพบใรชาติใดอั น, นิสงสินคุ้มครองไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆในการเป็นอยู่แล้วก็มีเป็นผู้มีสติปัญญาความคิดความอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขมีสติปัญญารอบคอบในเรื่องนั้นๆ น, น, นี่แหละการเวียนไหวตายเกิดของคนนั้น ก็ไปในทางที่ดีแต่ถึงยังไงถึงจะเป็นผู้ดีมีความสุขขนาดไหนแต่กฎอนิจจังพุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้นี่แหละเพราะพระไตรปิฎพระหันทศาวกทั้งหลายท่านมองดูข้างหลังของท่านมันมองเรื่องราวของท่านอย่างพวกเราทุกวันนี้ที่มาฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่ให้พวกเรานึกย้อนหลังรูสิ เป็นยังไงชีวิตของพวกเราแต่เด็กแต่เล็กมาอตั้งแต่ออกที่อยู่กับพ่อกับแม่จนมาเล่าเรียนหนังสือคบหมู่คบเพื่อนจนมาถึงปานนี้แหละเป็นยังไงมันไม่ใช่จะราบเรื่นทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ขมขื่นร้องห่มร้องไห้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งทุกขี่หนเหมือนกันบางทีกูหัวเราะอพ อ, ออกพอใจก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดมาพบหน้าชาดหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยนี่แหละภาษาวก อรหันทั้งหลายท่านมองดูเกิดมาพบกี่พบกี่ชาติก็ยังเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อีกเนมันมีหนทางมันมีหนทางที่จะหนีออกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระเดชจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาวันที่ได้สาเร็จได้ตัดสุรู้ธรรมท่านว่าอาสาวัคยญาญญาญอย่างรู้ว่า พระ อ, องค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระเทไทยของพระ อ, องค์ด้วยมรคแปดมรคแปคือมรคขปฏิปทาคือเครื่องดําเนินมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นสัมมาส ม, มาธิเป็นจุดท้ายจากนั้นท่านก็บําเพ็ญจนท่านได้สําเร็จมรคสําเร็จผลที่โครนต้นโพในวันนั้นพระพุทธ อ, องค์เมื่อได้สาเร็จมรคผลแล้วพระ อ, องค์ก็นํำทำคําสอน ออกมาบอกกล่าวว่าวิธีการเดินที่จะตัดกิเลสไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่ต้องทำตนอย่างนี้ท่านก็บอกอย่างนั้นหรับสาหรับเป็นคราวาดญาตโยมเออให้เป็นผู้เตรียมพร้อมอย่างนี้เพราะยังมีภาระมากจะต้องรับภาระมากอยูออ่ยังไม่พร้อมที่จะไปหรือท่านผู้ใ ด, ดจะไปก็ไม่มีการสังวนห้ามเออคราว่าจะไม่ได้สาเร็จมรรคสเร็จผลอย่างนั้นก็ไม่มี ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติจริงจังปฏิบัติตรงก็สามารถที่จะได้สําเร็จมรรสําเร็จผลได้เมื่อเป็นฆราวาสอย่างพระเจ้าจุธโทธนะเอยงพระบิดาของพระพุทธเจา้าถ้าเขาได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์เน่ยสมัยเมื่อท่านเป็นโยมเน่ยพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ว่าเป็นฆราวาสไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายแต่ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติถูกต้อง Belgium, ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตรงจุดแล้วผู้นั้นก็ได้สําเร็จมรรสําเร็จผลได้เนี่พระพุทธเจ้าท่าน ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามไม่ได้ทํานายทายทักว่าพระเป็นพระเท่านั้นจึงจะได้สำเร็จแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นโยมมีภาระมากที่จะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลนั้นเหมือนกับเขาวัวในขนวัวทั้งหลายลักษณะอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์นั้นเหมือนกับเขาวัวแต่ว่าขนวัวมันมากขนาดไหนแต่สำหรับเป็นพระอย่างเมื่อเป็นพระ จะมากกว่านั้นเพราะเหตุใดเพราะพระมีหน้าที่ค้นคว้าใยในการศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังในเมื่อปฏิบัติจริงจังบุญบา ร, รมีของเก่าก็เกือ้อกูลหนุนก็ท่านก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้ได้ง่ายกว่าถึงอย่างไรพระุทธองค์ก็ได้ตรัสไปว่าถ้าผู้ใดก็าตามอยู่ในจติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมไม่ไม่มี ระหว่างหรือไม่มีช่องว่างจิตอยู่ในจติปฐานสี่เห็นอยู่ตลอดเวลานี่กายเวทนาจิตทำท่านบอกว่าเออเจ็ดวันเออเจ็ดวันจะได้สำเร็จหรือมากกว่านั้นเจ็ดเดือนหรือมากกว่านั้นมากที่สุดคือเจ็ดปีในท่านไม่ได้พูดถึงบา ร, รมีเก่านะในท่านไม่ได้พูดถึงบา ร, รมีเก่าถ้าว่าจิตใจยัง นี่แหละมีความจริงจังและจริงใจในการบำเพ็ญให้จิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแหนพิจารณาอยู่ในกายและให้มีความรู้สึกในการเวทนาจิตแจงอยู่ในตัวเองตลอดและพอทำมารมที่มากระทบจิตก็ให้รู้อยู่ตลอดเวลากระทบเรื่องอะไรดีหรือชัว่วอะไรรับรู้ตลอดเวลาถ้าจิตของเราอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมตลอดเวลาท่านบอกว่าเจ็ดวัน พระพุทธองค์รับรองเจ็ดวันเออย่างมากเจ็ดเดือนอย่างมากที่สุดไม่เกินเจ็ดปีอันนี้ท่านได้ตรัสเอาไว้แต่ถึงอย่างไรที่นี่ยเรานํามาวิเคราะห์ดูทีนี้ท่านพูดทัน่นใช่จริงแน่นอนออไม่เป็นอย่างอื่นจริงแน่แต่เรานํามาพิจารณามาดูตัวเองทีนี้พอเรามาดูตัวเองทีนี้มันดูตัวของเราเนี่ยนะไม่ต้องดูใครเอแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนั้น ท่านตรัสไปอย่างงั้นจริงแต่เรามาดูเราทีนี่ขณะหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยใจของเราเนี่ยอยู่ในจิตติปฐานสี่ไหมเโอ้ถ้ามาเปรียบเทียบ ก, กันแล้วมันคนเรื่องกันเลยทีนี่มันไม่ใช่ธรรมดาที่จะเอาให้สติตอยู่ในจิตติปฐานสีน่นะมันแว บ, บไปแว บ, บมาไม่รู้เท่าไหร่ แ, แล้วไม่จะอยู่ได้อย่างไรอท่านก็เปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าเรา เห็นภัยในวัฏะสงสารเห็นภัยในวัฏะสงสารคือว่าเห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเหมือนกับเห็นเพชฌฆาตถือดาบเดินตามหลังย่องตามหลังเราอยู่นะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเห็นความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเพชฌฆาตย่องตามหลังเราเราจะเผือไปได้อย่างเนี้ยเราก็จะต้องเน่งที่สุดทีเลย เพราะเรากลัวไเราะเราเห็นโทษแต่ถ้าเราเห็นว่าโลกก็นี้ยังมีความสุขอยู่เท่าเม็ดกาขาลิ้นอย่างที่หลวงปู่ล่าพูดนะอถ้าเรายังเห็นความสุขอยู่ในโลกนี้จิตใจของเราก็ยังยังติดยังคล่องอยู่ในโลกวัตะสงสารเพราะเรายังไม่เห็นโทษที่แท้จริงเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านไว้บอกไว้ว่าถ้าจิตใจของเราอยู่ในสติปัฏฐานสี่ กายเวทนาจิตธรรมโดยสม่ำเสมอผู้นั้นจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลถึงอย่างไรก็ตามนะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนของเราเนี่ยให้เน้นหนักให้ทําจริงจังเดินยืนเดินนั่งให้มีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถึงจะไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพวกเราก็เดินทาง เข้าสู่จุดหมายปลายทางใกล้เข้าไปทุกที ใ, ใกล้เข้าไปเรื่อยๆถามว่าพวกเราต่อไปในาศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่พ้นทุก์ในชาตินี้เราออกจากชาตินี้เราอาจจะไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นพรมชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อพระศีอริยะเมตไตรยลงมาตรัสพวกเราก็จะได้ไปเกิดในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตไตรพอเราได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพอเราได้สังสม ในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วเราก็ได้ฟังก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในศาสนาของพระสีอริยะได้โดยง่ายเพราะอย่าใดเพราะบุญบารมีของเราในพบนี้ชาตินี้เราบําเพ็ญมาแก่กล้าแล้วแต่เรายังไม่สามารถที่สําเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างที่พระในหลายองค์ในครั้งพุทธกาลท่านบอกว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะ ท่านในบําเพ็ญมาแล้วแต่บําเพ็ญยังไงท่านก็ไม่ได้สําเร็จแต่พอมาศาสนาพระโคตมะอรมเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่กี่บาทพระคาถาท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เพราะอะไรเพราะท่านบําเพ็ญมาจนเบาบางแล้วแต่มาถึงมาในครั้งนี้ท่านจึงได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่บําเพ็ญมาอย่างนี้อด นอนบัง่งผรอาหารบัง่งอดอาหารบัง่งนั่งภาวนาบัง่งบำเพ็ญทานศีลภาวนาคณะทธายาติโยมที่บำเพ็ญมาเนี่ยไม่เปล่าประโยชน์นะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราเดินทางเข้าไปสู่มักสู่ผลเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆคล้ายๆว่า เหมือนกับเราหายพาชนะขึ้นมาแล้วบนฟ้าอากาศฝนตกประมาแต่ละหยดแต่ละหยาดลงมาเข้าไปสู่ตุ่มของเรามันไม่ใช่มันจะไหลข้อทีเดียวที่ละตุ่มตีละหยดทีละหยาดกระป๋องใบนั้นหรือตุ่มใบนั้นก็มีโอกาสที่จะเต็มด้วยน้ําได้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สะสมบุญกุศล เนี่ยทีละน้อยละน้อยบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราจากนั้นก็เต็มตื่นขึ้นเรื่อยๆ เ, เต็มบริบูรณ์จากนั้นก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนะเนี่ยอันนี้ก็คือการบมเพ็ญเรื่อง เ, เข้าสู่จิตใจเรื่องมรรคเรื่องผลแต่ถ้าว่าผู้ใดเนี่ยทกรรมชั่วทีนี้ในครั้งพุทธกาลท่านบวกผู้ที่ทํากรรมชั่วคือความเหมาะทั้งที่เราจะหา ตักน้ำใส่ตุม่มใส่โอ่งแล้วมันจะเต็มอยู่แล้วแต่เรามาคว่าห ม, ม้อมันหมดเปลี่ยงไปเลยมีก็มีเหมือนกันเพราะพุทธเจา้าทว่าเนี่ยพวกที่ทำกรรมหนักพวกที่ทำกรรมหนักพวกที่ทำกรรมหนักนั่นคืออะไรพวกอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมคือกรรมหนักอนันตริยกรรมมีห้าอย่างมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดา อารันตะฆาตฆ่าพระอรหันตโลหิตตุบาททำร้ายพระพทุทธเจ้าอย่างพระโลหิตในหอและกระสังกเภทจุยงสงให้แตกกันถึงจะแสกกันเป็นสององค์ก็เถอะอยู่ด้วยกันท่านมีความพร้องเพียงสามัคคีกันเพียงสององค์แต่เราไปยุแยงให้สงแตกกันเพียงสององค์ น, นั่นก็บาปหนักอีกเหมือนกันถ้าว่าเป็นสงหมู่ใหญ่แตกสามัคคีกันแล้วท่านหว่านั่นแหละพวกนี้แปลว่าบุญบารมีที่ สั่งสมมาเหมือนกับน้ําเกือบจะเต็มอุ่มตุ่มเต็มองค์อยู่แล้วเหมือนกับคว่ำโอค์เลยควค่ำโอค์แล้วก็หงายหงายหม้อใหม่เพราะงั้นหงายตุ่มใหม่อผลก็จะตกที่ระยดที่ระยาดขึ้นมาอีกในวิญญาณดวงนั้นอในขณะที่ทําไปแล้วขนาดนั้นนะตกเวทีมหานรกเอไม่รว้เท่าไหร่จนนับครณาเน า, น, านับเดือนนับปีไม่ทวน ไม่รู้ว่าเท่าไรเพราะงั้นจากนั้นคื้นมาใช้วิบากกรรมที่ตนเองได้กระทาไว้อย่างที่พระโมคคราท่านก็ตกนรกไปมากพอสมควรจากนั้นขึ้นมาก็ใช้กรรมของท่านเพราะอะไรเพราะท่านได้ทํากรรมปิดตุคาดกับมาตุกคาค่าปิดาและมารดาของท่านอันนี้คือเรื่องของท่านเพราะนั้นมาเรื่องของพวกเราก็เช่นเดียวกันกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้น ย่อมให้ความทุกข์เราเมื่อภายหลังฮเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้ศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแนะนําสั่งสอนและว่ า, วากล่าวให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาจากตํำรับตําราและจากนั้นก็ได้ไดปฏิบั ต, ดดติด้วยตนเองประสบการณ์ด้วยตนเอง เออไม่ได้ประสบ ป, ปาการณ์ได้ยังไงใช่ไหะหลวงพ่อบวชมาแต่เป็นเนเนนะ อ, อ, อายุสิบอ็ดสิบสองปีเดี๋ยวนี้ก็หกสิบห้าปีในหกสิบหกปีเ อ, อเป็นเวลาเท่าไหร่ห้าสิบกปีหลวงพ่อจะไม่ไม่มีประสบ ป, ปาการณ์อะไรบ้างเหรอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองได้ประสบประการณ์มาจากอะไรจึงมาแนะนําสั่งสอนคณะสัตยาธิโยมโลูกหลานเพื่อการศึกษานะเ อ, อหลวงพ่อนั่ง ภาวนาหรือพิจนารณาอย่างไรหลวงพว่อเคยคิดว่าตายแล้วไม่สูญออตายแล้วเกิดอีก เ, เป็นอย่างที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆถ้าว่าพวกเราทำจิตใจให้สงบให้นิ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกาย เ, ยเป็นอันหนึ่งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่จิตใจคือนามธรรมนั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่แต่นามธรรมนั้นไม่แตกไม่สลายไม่ตาย ไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจนามธรรมานั้นเพราะอะไรเพราะนามธรรมานั้น เ, เป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นผู้ใช้วาจาเพราะนามธรรมาตัว น, นั้นคือใจตรงนั้นถ้าจะว่าไปทุกวันนี้เราว่าสมอง เ, เขาว่าสมองหลวงพ่อวั น, นมันผิวเผินเห ล, ลือเกินมันเห็นเป็นรูปธรรม ท, ท่านเองส่วนนามธรรมาตัวจิตใจเท่านั้นะ่ะ มันนอกเหนือจากสมองอเหมือนกับคอมพิวเตอร์มันเหมือนสมองในรถของเรารถของเราทุกวันะมันมีสมองกลอยในรถมีสมองเวลาเราจะตาดเครื่องขึ้นไปสมองมันก็ทำงานเมื่อสมองทำงานแล้วใครเป็นคนใช้สมองนั้นโซเฟอร์เป็นคนใช้จะให้มันทําอะไรจะกดอันไหนกดเข้าไปจะจะให้มัน โฟวินรลอจะจ ะ, จะให้มันขับเคลื่อนสี่ล้อหรือสองล้ออย่างนี้มันจะรู้ได้ทั้งหมดถ้ารถราคาแพงเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ได้ทั้งหมดรถล้อหน้าอ่อนแล้วล้อหลังอ่อนล้อล้อซ้ายล้อขวาอ่อนน้ํามันจะมีเท่าไหร่จะเดินไปได้เท่าไหร่มันจะบอกในนั้นหมดสมองคนมันจะบอกตัวเลขขึ้นมาให้พวกเราได้ศึกษานี่เหมือนกันใครเป็นคนรู้รถรู้ใช่ไหมรถมันแต่บอกข้อมูลเท่านั้ แต่คนที่รู้ก็คือเจ้าของนี่แหละตัวที่เจ้าของนั่นแหละคือใจใจที่เป็นรู้เครื่องคอมพิวเตอร์คือเชียสมองมันมีอยู่แล้วแต่บางคนก็อย่างว่าเหมือนกัน<ม> เ, เชี่ยวสมองมันมีครอบอยู่แต่ใจมันโง่เมันมีบาปมีกรรมใจของเรามีบาปมีกรรมในอดีตชาติไวเอีพอเราไม่ได้ศึกษาแต่มาเกิดแล้วก็ใช้สมองไม่เต็มที่เหมือนกันปั๊ม ป, มปมัเปือเปโงโง่งงกันงนเพราะเหตุไร เพราะว่าใจของเราไม่มีบุญวาสนาไม่มีบารมีไม่มีบุญกุศลไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่จะใช้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นแต่บางคนก็มากคนนั้นก็คือสมองของมันเสียเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าบุญบารมีของเราเก่าแก่ที่พวกเราได้มาเกิดพวกเราไปกินเหล้าเมายายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวง เราบุญกุศลไม่มีมาเกิดได้สมองกับสมองไม่สมบูรณ์นะได้สมองไม่สมบูรณ์เมื่อเราได้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์อย่างไงละ่ะได้มาก็ได้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียของเขาเพอเพยยังประเทศที่ด้อยพัฒนาพึ่งฝึกหัดทําคอมพิวเตอร์ใหม่อีกต่างหากนะและคอมพิวเตอร์มันจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้รอบครอบได้อย่างไรถ้าว่าคอมพิวเตอร์มันดีชั้นดีอราคามันก็ต้องแพง คนที่มีบุญวัดศาสนาเท่านั้นจึงจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ราคาแพงนี่ก็เหมือนการคนที่มีบุญเอเคยสร้างบุญสร้างกุศลมามากแล้วพอมาเกิดก้อนนี้ไอคิวก็สูงเนะพราะเหตุไรเพราะเหตุเขามีบุญวัดศาสนาบารมีมาเก่าไอคิวเขาก็สูงอีควความรับผิดชอบเขาก็สูงเอคิ Q, การเป็นอยู่ของเขาก็ทุกอย่างราบรื่นไปหมดเพราะเหไร เพราะเขาเป็นผู้มีบุญมาแต่ก่อนเก่าเพราะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญพระพุทธเจ้าว่าบุญญานิปรารโลกัตฉมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าบุญคุ้มครองโลกนี้เราทําดีในโลกนี้เราก็ร่มเย็นเป็นสุขไปปรารโลกภายภาคหน้าก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะบุญคุ้มครอง พระท่านท่านจึงให้สั่งสมบุญกุศลหลวงพ่อย้ำแล้วเน้นอีกว่าตายแล้วไม่สูญตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาให้พวกเรานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานะแต่เราปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อก็เคยแนะนําสั่งสอนนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเขา้าบริกรรมพทรุทโธหรือจะไม่บริกรรมก็ได้กําหนดลมหายใจก็ได้ถ้าจะบริกรรมก็ได้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เน่ยว่าบริกรรมดีกว่าเพราะว่ามันมีสองสัมทับสองเข้าไปอีกถ้ากําหนดดูเฉยเฉยมันมีช่องว่างจิตใจของเราอาจจะหลุดออกในช่องว่างนั้นแต่บัดนี้เมื่อเราบริกรรม มันก็จะเห็นได้บริกรรมพุทโธพุทโธจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งเมื่อจิตใจสงบเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้ว่านี่ใจของเราเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งจากนั้นเรามาพิจารณาไปอีกก็คือทางวิปัสสนานี่คือสมถะนะวิปัสสนาวิปัสสนาคือวิปัสสนึกนึกคิดเปลี่ยร่างกายของเรามีอะไรบ้างใน่นี้ มีผมผนเล็บฟันหนังนก็เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธยอมรับทั้งหมดว่าร่างกายของเราเนี่เหมือนสัพรพสัตต์ทั้งหลายตับไตลำไส้ของสัตว์มีอย่างไรเราก็มีอย่างนั้นผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอย่างไรของสัรพสัตต์เราก็มีอย่างนั้นผ ที่เราไม่มีอย่างนั่นก็คือหางเท่านั้นแหะสัตว์บางตัวก็ไม่มีหางบางตัวก็มีหางมันผิดแปลกแตกต่างขนานั้นคือรูปแต่ว่าเรื่องส่วนอื่นนั้นมันเหมือนกันเกือบทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนะ่ยใจของเราคือผู้รู้คือนา ม, มธรรมมาพิจารณาร่างกายร่างกายของเรานะ้อถึงจะเลี้ยงอ่มีมพีมันทนุถนอม เลี้ยงอาหารดีขนาดไหนหาผ้าห่มให้ดีขนาดไหนยาแก้โรคภยไข้เจ็บดีขนาดไหนจะสร้างบ้านเรือนให้ดิบดีขนาดไหนร่างกายนะี่ยังเป็นอื่นเสมอนะใจน ะ, ะยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายนะอีกสักวันหนึ่งนะใจอย่าไปเสียใจนะกับร่างกายนี่นะมันจะต้องหนีจากเราไปแน่ๆนะใจนะ อันนี้คื อ, คอทําความเข้าใจในใจของตัวเองมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้ได้เราควรวางยังไงเราควรทํำยังไงเราควรจะปฏิบัติต่อร่างกายยังไงเราจะทําใจอย่างไรอันนี้เราต้องวางแผนไว้ในใจของเราจากนั้นเมื่อเราเห็นจริงอย่างนั้นในร่างกายแท้ๆในเรื่องของเราแท้ๆว่าเป็นของเราแท้ๆ มันยังไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นแห่ที่เกี่ยวเนื่องกับกายของเราพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงาายายาศานาญาดญาติมิตรสาหิทางหลายสาโรงสาลาที่พักพาอาศัยเงินคําทรัพย์สมบัติแห่พัานว่าเป็นของเราของเรานะ่ยแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราอีกเหรอเหื่อใจถ้าได้ ใ, ใจก็จะรู้มันก็จะรู้ใจของใจที่ไห ถึงมันจะลักใครมันก็จะไม่รักมากถึงจะโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากถึงจะพยาบามอาฆาตใครมันก็ไม่พยาบามอาฆาตมากเพราะเหตุอะไรเพราะอีกสักวันหนึ่งขนาดร่างกายเมื่อจะถูกเผาไฟอยู่แล้วแล้วจะไปถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครจนไม่หลับหูหลับตาถ้าเราไม่โง่จนเกินไปถ้าเราโง่เกินไปนั่ะเราก็จะโกรธให้เขาจนเ <c> อ <oughs> จะฆ่าจะแกงจะอะไรเขาถึงขนาดนั้นแหละแต่ตามไม่จริงไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะ พ่เราศึกษาธรรมะทมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วต้องใช้ปัญญาต้องกันกรองไตรทองเหตุและผลจากนั้นเราก็ย้อนเข้ามาหาใจใจของเราจะเป็นลุ่มหลงอะไรมากมายจากนั้นก็ดูใจของเราถึงใจของเราก็เป็นอนัตจังทุกขังอนาัตตายปล่อยวางที่ใจอีกนะ น, นั่นแหละธรรมะรมคาสอนมีหลายชั้นเชิงมีหลายขั้นตอนนะวางที่ใจ เมื่อวางเห็นในใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจเหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้เหมือนกับเราเอบซีหนึ่งสองสามวันทูทีโฟไฟอย่างเนี้ยเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้เราได้ศึกษาแล้วความฉลาดก็เกิดขึ้นตรงที่มันไม่รู้นะ่ะตรงที่มันโง่นะ่ะความโง่ก็ตกไปความฉลาดเกิดขึ้นมานี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็ยึดว่าเป็นของเราแต่บัดนี้เรารู้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังนะเราปล่อยวาง ในเมื่อเราปล่อยวางนั่นแหะความบริสุทธิ์จุดพ้นอมตะธรรมอมตะธาตุสิ่งที่บริสุทธิ์ก็จะหลุดตดเด่นขึ้นมาเอในใจของพวกเราในศาสนาชนาวด์ใจที่หมดจดจากกิเลสอาสวะคือมันออกมาจากตัวงโง่ๆนั่นแหละอออกมาจากความหลงนั่นแหละจุดจิตใจจุดนั้นแหละเพราะฉนั้นขอให้พวกเราฟังนะศึกษาและนํามาประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนนะพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่ที่ใจนะ ใจสำคัญนะใจเป็นใหญ่นะอย่าไปคิดทางนอกคือเป็นปัจจัยอาศัยชั่วข้าวเฉยแต่ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะจริงๆมันอยู่ที่ใจของพวกเรานะการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาทุกประการเทิน